นะถ้ากล่าวตามวิสุทธิมักกล่าวตามพุทธพจน์ในที่หลายแห่งเนี่ยตั้งแต่สันทิทโกวากาลิโกเอหิปสิโกโอปัยโกปัจจัตังเวทิตัาโพวินยูหิเนี่ยเป็นชื่อของมรรคผลนิพันธ์พันธะจะเอื้อมรือระดับล่างกว่านั้นก็คือสวากขาโตภคะวะตาธรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดียังไงอ่ะเนี่ยนะครับบอกว่าดียังไงเนี่ยนะบอกว่าเออแล้วพระธรรมที่เราศึกษาเนี่ยช่วยให้เราอะไรบ้างแล้วอ่ะ ตรงนี้ถามว่าเราควรตั้งคำถามหรือว่าควรปล่อยปละละเลยไปเลยควรตั้งคําถามวาสวาขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีดียังไงนะดีแค่ไหนช่วยอะไรเราบ้างเนี่ยนะช่วยตรงไหนเนี่ยนะช่วยส่วนไหนแล้วแล้ ว, ลวดีจริงหรือเปล่าแล้วในที่สุดของการนับถือมันจบที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะเราก็จะได้มั่นใจใช่ไหมจะได้เกิดความมั่นใจแล้วก็มาดูว่าห้องธรรมคุณหกนะห้องธรรมคุณหกเข้าไปในห้องสวาขาโตเป็นยังไง เข้าไปในห้องสันธิทิโกเป็นยังไงเข้าไปในห้องสันธิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยยห์เนี่ยเพราะว่าธรรมคุณหกก็เหมือนกับบะปราสาทหลังใหญ่ที่มีหกห้องเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเนี่ยนะวิจิตอลังการขนาดไหนก็ดูจากไหนดูจากใจของเราใจของเรานี่พอที่จะมีสิ่งเหล่านี้ที่มั่นคงดีขนาดไหนก็ผู้ที่เจริญ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 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งกุศลธรรมเจริญธรรมานุสติอยู่เนี่ยนะฉั้นคนที่เจริญธรรมานุสติถูกต้องเนี่ยนะจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มอยู่ตลอดเวลาได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มอยู่ตลอดเวลาบางคนก็บอกว่าพุทธานุสตินะียเจริญแล้วยังพอปีติบ้างธรรมานุสติเนี่ยนะสวาขาโตพระวาตาธรรมโมเนี่ยเว้นไว้แต่น้ำหนักเสียงที่มันคล่องเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อะไรเลยก็งั้น ไม่เคยปีติเลยใชยตลอดเนี่ยนะทําไมมันเป็นอย่างนี้เขาว่ากันมีคนที่เขาเขาไม่สบายใจมากทําไมเขาสวักขาโตเมื่อไหรเขาเฉยเฉยบางคนนี่เดือดร้อนเพราะใจมันเฉยเฉยคือเขาเห็นว่าปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาระใช่ไหมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาระเมื่อได้เจอสิ่งที่เป็นสาระทําไมมันเฉยเฉยกันเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาสวักขาโตเนี่ยนะของเราทั้งหลายต้องนึกถึงสูตรใดสักสูตรหนึ่งในใจเนะเช่น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 หรือไม่ก็เอาโพธิปักขยธรรมมาว่าโพธิปักขยธรรมเนี่ยสวากขาโตภควาตาธรรมโมโพธิปักขยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตนนะหรือไม่ก็อริยสัจธรรมเนี่ยนะอริยสัจสี่ประการเนี่ยสวากขาโตภควาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกจะทั้งมีคําสอนที่เป็นอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็เอาศีลสมาธิปัญญาก็ได้ หรือเอาวิสุทธิ์ที่เจ็ดก็ได้ว่าวิสุทธิ์ที่เจ็ดสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิกวการิโกคือจะต้องเอามีธรรมะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นที่ตั้งแล้วก็สรนเสริญไปอันนี้จะเป็นเหตุให้ได้รับปีติและปราโมทไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดียังไงถ้าทํานี้ดียังไงเป็นต้นเนี่ยนะสูตรไหนบอกดีดีดีเนี่ยนะเขาบอกว่าเคยเคยมีกลุ่มหนึ่งเขาสนทนาบอกคุณเลื่อมใสสูตรไหนที่สุดในพระไตรปิฎก อในฐานะผู้ที่เรียนด้วยกันมากเน่ยนะเขามาถามกันสูตรไหนที่ไพเราะที่สุดในายพระต่ายิดก์ไหนลองว่าให้ฟังมันเพเราะยังไงก็เอามามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยสูตรไหนไพระที่สุดเอสาอสูตรนั้นดีเหลือเกินแต่ว่าจําไม่ได้ถ้าอย่างงี้ก็แหมนจะหน้าเศร้าขนาดไหนใช่้ยสูตรนั้นก็ดีจริงๆนะแต่ว่ามันจําไม่ได้อ่ะจะคุยอะไรกันต่อไปใช่ไหมมันผู้ที่อ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 ขอใจของเราจะได้ห่างจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องนึกถึงคําสอนให้ได้เห็นดินนี้นึกถึงคําสอนได้ไหมเห็นถนนนึกถึงคําสอนได้ไหมอันนะเห็นอากาศนึกถึงคําสอนได้ไหมอันนะนึกถึงอะไรนึกถึงคําสอนไม่ได้บ้างอลองหาดูอันนี้ท่านนึกถึงคําสอนได้ขอสาธุ ข, ขอให้นึกจริงๆครอนะีเห็นคําสอนได้หมดเลยทุกผลทุกแห่งอนะอืม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 ลมปากเนี่ยแหละมันพัดให้ห่างคําสอนดีนักเลยเาต้องฟังให้ดีนะว่าลมปากเนี่ยลมเสกหรือว่าลมทําลายเนี่ยนะดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระสงค์เนืองว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะถ้าสวดอย่างนี้เราต้องนึกถึงกลุ่มไหนดีเอางี้เีว่าถ้าถ้าเป็นสวดวันมาฆะเนี่ยนะ่าจะดีว่า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 พันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยเปิดปฏิบัติสามีจิตสมควรแก่การกราบการไหว้ควรลุกรับควรเชื้อเชิญควรทําอัญชลีควรทําสามีจิกรรมนะคือให้มีกลุ่มผ้าริยะอยู่ในใจแล้วก็สวดนะเช่อนอาจจะสวนนดง่ายๆภาษารีบตทสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วภาษารีบทสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงแล้วให้มีภ้าอริยะอยู่ในใจไม่งั้นเราก็ได้คําที่ไพเราะอีกคําหนึ่งที่ฟังดี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 ผู้ที่บรรลุทำตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วอุชูปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานจริงๆสามีจิปฏิปันโนท่านเหล่านั้นควรแก่การกราบการไหว้การลุกรับการควรเชื่อเชิญควรทำอัญชลีกรรมเป็นผู้ควรทำสามีจิกรรมเป็นนาบุญที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจริงๆนะถ้าท่านนึกถึงคุณธรรมของพระอริยสาวกเหล่านั้น สมัยใดอริยสาวกกระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆนี่ยนะอ่าเรสาวกนึกถึงสาวกอีกเหมือนกันนะท่านก็ปีตินะเคยเคยสังเกตไหมภาษาดิบุตรตําหนี่พโมคขลาน่าพโมคขลาน่าด่าภาษาริบุตรพระมหากระสปะสอเสียดยุแยงภาษาดิบุตรพรโมคขลาน่าให้แตกกันไงนะไม่มีท่านเหล่านั้นพระอริยท่านไม่ทํากันเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานนณทัศนะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยฮีริโอตตะปะเป็นต้นคุณธรรมของท่านเหล่านั้น เต็มเปี่ยมไปหมดอันท่านเหล่านั้นจะจะร ะ, ะลึกถึงกันด้วยปีติะนะพระคุณเจ้ารูปนั้นะท่านจะพูดถึงกันเปะมากเคารพกันมากทุกคนจะมีความเคารพซึ่งกันและกันะนะมีความเคารพกันมากเลยนะนั้นอย่างพระนางวิสาขาก็ตามระลึกนึกถึงพระนรนินต้นเลยนะทุกคนก็จะมีการระลึกถึงพระอริยะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมนิยามปฏิบัติจนได้แต่สรุปอริยสัจตามพระพุทธเจ้า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 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสะแห่งกุศลธรรมเจริญสังขานุสติเจริญสังขานุสติกลุ่มไหนบ้างอนะก็ที่จริงเนี่ยนะถ้าใครมีข้อ ม, มูลว่าเช่นธรรมจักรกับปวัตนาสูตรบรรลุเท่าไรอภิตออะอานาตาลักษณะสูตรบรรลุเท่าไรแต่ละสูตรแต่ละสูตรเหล่านั้นเป็นต้นนึกถึงที่ไหนเขาบรรลุ ก, กันยังไงบอกอุ้ยอริยาสาวกเหล่านั้นปฏิบัติ ด, ดีแล้วปฏิวัติตรงแล้วเป็นต้นเนี่ยนะเราเจริญอย่างนี้ก็จะทําให้เกิดปีติแล ปราโมทเนี่ยนะทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจทําให้เกิดความสนใจแต่ว่าท่านเหล่านั้นบรรลุสูตรนั้นบรรลุได้อย่างไงทําไมเขาพิจฟังธรรมจักแล้วเขาจึงบรรลุเขาบรรลุอะไรบรรลุว่ายัางไงทําไมเขาฟังอนัตตลัคณาสูตรแล้วเขาบรรลุบรรลุอะไรบรรลุว่ายังไงทําไมจึงบรรลุเป็นต้นเนี่ยนะ ทำไมเขาบอกว่าฟังมงคลละสูตรแล้วบรรลุหาประมาณไม่ได้เป็นต้นเขากเออท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีจริงๆนะท่านปฏิบัติตามมงคลจนได้บรรลุเมื่อไรนะเราจะได้บรรลุคิดว่า